ขอน อ, นอนุญาน้อมพระราชนาฏใจขอถวายความขอรบูุชาคุณหลวงพ่อคำเขียนโทวโนโรมขอโอ ก, กาสไปจำบิณฑบาตบิณฑบาตในจังกรมศิลป์แล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปนนะครับ mm hmm. จะเป็นในธรรมแม่คีแล้วก็ยากจะที่ทุกคน mm hmm. ท่มเสียงนิดนึงได้ครับ นรีแบไม่มีเสียงจะพูดให้ดังไม่่หรอเสียงดังๆหน่อยโยมจะได้ตื่นนะแต่เสียงเบาเรอมันจะเป็นการแทนที่จะเทให้ตื่นการเป็นเทศให้ดับนะ เพราะว่าอาจมานี่มีชื่อเสียงโยมชื่อเสียงด้านอะไเทศแล้วโยมนอนหลับ <c oughs> มีมีฤทธิ์รังคนเะแบบอ่านี่ดีนะเดี๋ยวก่อนนอนก็ฟังเทศอาจารมาแล้วก็ดับสบายแต่ก่อนก็กินอยากนอนหลับ <c oughs> ก็เนี่ยชื่อเสียงอก็มาก็ก็ดีแล้วแหละนะ ประหยัดอยาปะหยัดยาแค่นอนหลับนะแต่ก็วันนี้เราตั้งใจว่าจะไม่หลับเลยต้องเครื่องเสียงให้ใหดังขึ้นสักหน่อยจะฟังอะไรดีอามาก็ฟังเท่ยอยู่ข้างล่างพูดตรงข้อก็อหมดเรื่องพูดเหมือนกันครับแต่ก็ลองพูดดูนะเพราะว่าฟังฟังไปแล้วคนใด็กก็พูดเรื่อง การมีสติสตัวสิ่งที่หลวงพ่อสอนอรือปฏิบัติลองพูดแบบเรื่องไม่มีสติใช่ไหมถ้ามันถ้าเราไม่มีสติมันจะมีอะไระก็มีความหดงเนาะมีตัวตนขึ้นมามันก็มันก็เป็นกันทุกคนนะก็ลยไรพูดเรื่องกัน เรื่องตัวตนนี้ไหอาตมานาก็ศึกษาธรรมะน่ะปฏิบัติธรรมก็ชอบนะชอบเรื่องตัวตนสฉพาเรื่องความไม่มีตัวตนนะเรื่องอัตตากับเรื่องอนัตตานอะนอกจากเรื่องการมีสตินะสิ่งที่ชอบคือเรื่องสนใจเรื่องอัตตาแล้วก็เรื่องอนัตตาอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาเนี่ยก็สงสัยนะ่ะ ศึกษาธรรมะก็สงสัยอัตตาเป็นแบบไหนอนัตตาเป็นแบบไหนก็สับสนอยู่มีแต่มันก็พอเราขาดสตินะ่ะโอ้มันก็เห็นอัตตานะ่ยจำได้เลยว่าตอนบวชยังไม่ได้ศึกษาที่วัาตาสุก โ, โตเนี่ยนะบวชยังไม่ได้ศรรษาก็บางวันก็ปฏิบัติธรรมเองนะบางวันก็ มีงานมีกิจกรรมบางอย่างก็ไปช่วยกันวันนั้นส้วมมันมันตันนะส้วมมันตันก็พระอาจารย์ที่พาทำเนาะตอนนั้นก็พระมีไม่เยอะมีไม่กี่รูปพาไปดูทําไในส้วมมันตันนะก็ปรกากฏว่ามีรากไม้ไปอุดตรงตรงท่อที่มันจะลงตรงตร ง, ตรงบ่อส้วมมนะันเนาะ ก็ต้องเปิดาสาซ่วมนะแล้วก็ไปไปตัดนะรากไม้ไปดึงรากไม้ออกนะแต่ขณะที่กำลังจะตัดรากไม้เนาะซ่วมมันตันข้างตรงบ่อท่วมเนี่ยมันก็ล้นขึ้นมานะถ้าเองก็ต้องช่วยกันตัดท่วมผู้ที่ผู้ที่ถูกก็คือตัดขี้ะเออตัดขี้หรือว่าตัดน้ํานะที่มันอยู่ในบ่อท่วมนะอืม มาก็ตักนะขณะที่ตักมันมันก็เหม็นใช่ไหมใครไม่เหม็นมันก็เหม็นนะก็เหม็นกันแต่ปรากฏว่าไอ้มาว่าไอ้การเหม็นที่นะ้มันเป็นเรื่องก็ธรรมดานะมันก็ต้องเหม็นแต่มันเกิดนะเกิดความคิดนะเกิดตัวตนขึ้นว่าเฮ้ยเราเป็นพรนะตอนนั้นก็เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเลยนะ เราเป็นพระเราเรียนจบปัญญาตีทำไมต้องมาตักขี้แบบนี้ด้วยคือไ <c oughs> อ้ตัวต้นที่แบบทีเ่เราก็คิดว่าอืมเราก็อยากจะบวชนะ่ะแล้วก็ปริญญาเราก็ไม่ได้สนใจไปรับแล้วนะก็แต่พอมาตักขี้แล้วปริญญามันโผล่ขึ้นมาเลยว่าเราจบปัญญาตีทําไมมาตักขี้อนะเออ เราถ้ามีเราเราเป็นพระเลยนะอเราเป็นพระทำไมมาทํางานแบบนี้เลยืนะมันเห็นตัวตนแล้วมันมันสะเทือนนะมันสะเทือนมันสะเทือนที่เออเราก็คิดว่าเหมือนแต่ก่อนนะอันนี้ก็ย้อนนิดนึงตอนก่อนบวชเลยก็เราก็พยายามขัดเกลีตัวตนผ่านการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตแบบเรียกว่าติดดินเหมอนนะนะ ไปอยู่สลัมกับเด็กเร่ร่อนก็เคยไปไปเข้าป่าเข้าพงนอนกลางดินจิงๆางตายก็ทำหรือว่าไปอยู่กินกับชาวบ้านในมอบนะธรรมชาตคนจนเขื่อนหรือว่า่อบการไปปะทวงเขานะ่ะก็คือพยายามคิดว่าตะเองค่อนข้างติดดินนะแต่พอมาติดขี้แล้วมันไม่ไหว ม, มันก็ เห็นตัวตนที่มาแล้วมันมันสะเทือนสะเทือนที่อพอเราไม่รู้ทันเนาะกิเลสมันก็หลอกเราสร้างสร้างตัวตนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งเลยนะที่รู้สึกว่าเออเราก็ควรที่จะบวชต่อบวชต่อเพื่อจะได้คือมันเห็นตัวตนแล้วมันมันกลายเป็นจะเรียกว่าตัวตนก็ได้เป็นมานะก็ได้เนาะ เราก็ไม่อยากที่จะออกไปโดยที่ตัวตนมันยังปรผยองอยู่แบบนี้นะหรือมานะที่มันมักจะโผล่เข้ามาเวลาเราเจออารมณ์ที่มันไม่พอใจหรือไม่ชอบเนะ่ะกลายเป็นข้ออ้างอย่างนั้นอย่างนี้เนาะก็เลยเออนันก็เป็นความรู้สึกที่สะเทือนใจแล้วก็บวชต่อดีกว่านะมันจะได้เห็นพวกนี้นะแต่ก่อนเร า, เราคิดเราคิดว่าเราก็ โอเคระดับหนึ่งเนาะจริงจิมระดับหนึ่งไม่คิดว่าจะมีพวกนี้มากแต่พอมาทำงานพวกนี้มันก็ดีเหมือนกันมันก็ทำให้เราได้เห็ น, นตัวตนแต่มันก็รู้สึกว่าที่จริงไอ้ตัวตนนี้ยมันก็โปลมาจากความไม่มีตัวตนตอนแรกมันก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่พอเกิดสิ่งที่กระทบขึ้นมาแล้วมัน ตัวตนมันผุดขึ้นมาจากความไม่มีตัวตนนะมันก็มันก็จะดลนี้นะอาตมาก็บางทีเราก็ชอบปฏิบัติธรรมทั้งในรูปแบบก็อชอบปฏิบัตินะนอกรูปแบบก็พยายามปฏิบัตินะ่ผ่านการงานเนี่ยนะบางทีก็รู้สึกมันได้ประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นทําการทํางานแล้วก็เห็นนะเห็นหลายอย่างที่มันซ่อนในใจของเรา มีอยู่ปีหนึ่งก็เหมือนกันนะไปดูแลก็คือไปช่วยดูแลเนี่ยงพระอาจารย์ชัดเนาะท่านตกหลังคาแล้วก็สมองก็ก็ช้าก็มีเลือดออกก็ตัดสมองไปส่วนหนึ่งนะก็ตอนนั้นประมาณปีสี่เก้าก็ไม่ค่อยมีคนดูแลท่านก็ไปดูแลไปดูแลท่านบางทีเราก็มันต้องอาบน้ําให้เลยนะอ่า อต้องไปปรับน้ำร้อนให้มันพอดีนะบางทีมันก็ไม่ถูกใจท่านนะเราก็พอดีแล้วนะั่นเี่ยเติม น, น้ำร้อนก็ไปพอดีหรือยังครับไม่พอดีเติม น, น้ำเย็นก็ไปพอดียังครับยังไม่พอดีเรียกว่าทำยังไงก็ไม่ถูกใจท่านซีนะพอไม่ถูกใจเป็นไงไอเราอะ่ะก็โมโหใช่ไหมเราก็ไม่พอใจนะ พอไม่พอใจมันเกิดตัวตนอีกอย่า ง, างเราอุตส่าห์มาช่วยขอบใจก็ไม่ขอบใจยังมาว่าเราอีกนะทีอมันตัวตนที่มันเกิดขึ้นมานะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะช่วยเพื่อหวังคําขอบคุณขอบใจหรือว่าหวังอะไรแต่พอมันเกิดความไม่พอใจขึ้นมานะความรู้สึกที่ว่าเราอุตส่าห์มาช่วย เรามาช่วยนะแล้วยังมาว่าเราเอีกนะมันก็ทำให้เราเห็นเออมันดีนะ <c oughs> ดีที่ทำให้เราได้เห็นว่าไอความรู้สึกแบบนี้หรือว่าตัวตัวแบบนีนน้มันมันโผล่ขึ้นมาให้ให้เราได้เห็นว่าเออบางทีการเจอสิ่งที่กระทบเนาะจากการทำการทำงานต่างๆเนะี่ยมันก็ทำให้เราสะเทือนใจนะสะเทือน สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจนะที่ปกติบางทีมันก็ไม่ค่อยสะเทือนนะถ้าอยู่เฉยๆธรรมดานะบางทีก็ไม่สะเทือนบางทีก็ไปทุต้งบ้างนะเพื่อให้มันสะเทือน <c oughs> สะเทือนบางอย่างที่มันไม่ค่อยเห็นนะอ่างแต่ก่อนไปทุต้งไปรูปเดียวอไปทุต้รูปเดียวนะไอ้เราก็คิดว่าเรื่องอาหารการกินเราก็ไม่ค่อยติดนะ แต่พอไปก็โด่งนะบางทีก็หิวหิวน้ำส้มที่ 5% เนี่ยก็โอ้นางฟ้าประทานให้คือ <c oughs> แต่ก่อนถ้าอยู่วัดก็ไม่ค่อยทานนะแต่พอไปอยู่แบบนั้นโอ้อะไรก็ดีไปหมดนะหรือบางทีก็เคยเล่าหลายทีนะว่าบางทีเราก็คิดว่าเราชอบอยู่คนเดียวอยู่กุฏิอยู่คนเดียวก็ได้นะ ก็ไม่ค่อยส่งสิงไม่ต้องพูดคุยอะไรกับคนมากก็ได้ <c oughs> แต่พอไปเดินตัวตรงนะบางทีไปเดินคนเดียวพอมีคนมาคักมีคนมาคุยนะมันเกิดความดีใจขึ้นดีใจที่อะไรมันอยากมีตัวตน <c oughs> แต่ก่อนเดินไปชาวบ้านไม่ถามไม่ไถ่ไม่อะไรมากมันเหมือนตัวตนมันหายไปนะแบบเราคิดว่า มันเหมือนไม่มีค่าไม่มีคาคาเนาะแต่พอมีคนมาทักขึ้นมาเอ้าิดความตัวตนที่มันดีใจขึ้นแต่ก่อนไม่คิดว่ามันเราบังเรื่องแบบนั้นเนาะหรือบางทีมันก็บางอย่างมันก็เบื่อเบื่อนะเบื่อมันก็เห็นนะตอนแรกมันไม่เห็นหรอกมันไปหลงก่อนมันถึงเห็นบันทีเดินผ่านไปนะไม่มีอะไรเนาะ เทปก็ไม่มีฟังหนังสือก็ไม่มีอ่านเดินผ่าน ไ, ไปเป็นนั่งพักที่ศาลามีหนังสือคิมเก่าๆนะผ่านมาเป็นปีแล้วนะมันยังอยากอ่านไอ้ข่าวที่มันตกยุคไปหนึ่งปีแล้วนะมันยังอยากอ่านที่จิตนะมันอยากมันอยากเสพนะคือไอ้เรื่องพวกนี้มาว่ามันมันเป็นเรื่องดีที่ เราได้เห็นเนาะเวลาเราปฏิบัติทำในรูปแบบก็ดีนะบางทีมันก็ผุดขึ้นมาให้เห็นนะในรูปของความคิดในรูปของอารมณ์ในรูปของอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือเวลาเราอยู่นอกรูปแบบนะเดินก็ดงก็ดีทําการทํางานก็ดีนะบางทีมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นนะตัวตนที่มันที่มันแสดงนะ มีไหมไม่ขียาเยยวมีไหมปฏิบัติทําแล้วตัว ต, วตนมันโผล่ขึ้นมาบ่อยไหมม <c oughs> าว่าปฏิบัติแล้วมันโผล่ขึ้นมาบ่อยๆนะดีนะแต่ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ไม่ค่อยโผล่ชิชื้นิ่งๆเลยนะโอมันเหมือนเราจะเป็นพระรหารแล้วแต่อาจจะยังไม่ใช่นะอ่าแต่บางทีทําไมมันไม่โผล่ ไม่โผหรือไม่เห็นมันเพีมัก็มันก็แยกกันไม่ถูกนะอบางทีงมาว่าโผบ้างก็ดีนะแล้วปฏิบัติอะปล่อยๆสักหน่อยอปล่อยๆให้มันเกิดขึ้ น, นะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแ้วเราจะได้เห็ น, นเห็นอะไรเห็นขยะในใจของเราเห็นตัวตน เห็นอุปทานความยึดมั่นเป็นทิฏฐิมานะต่างๆที่มั น, นี้มันซ่อนนะซ่อนอยู่ในใจของเราเนะี่ยแหอะมาว่าปฏิบัติอ่ะคาว่าเห็นธรรมนะที่เห็นกิเลสเลนะีนะ่ยแหละหรื อ, รอว่าเห็นธรรมที่เห็นตัวตนก็ได้นะอนะพอเห็นตัวตนแล้วมันอะไรมันก็กลายเป็นตัวตนมันก็หายไปนะตัวตนมันเหมือนคล้ายๆเมื่อถูกการเห็น มันก็หายไปนะก่อนที่มันจะเกิดมันก็ไม่มีนะพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บพอเราเห็นมันนะมันก็หายอ๋อทั้งคืแบบนี้นะก็เลยคิดตัวเองนะว่าอ๋ออัตตากับอ น, นัตตามันก็มันก็อยู่ในกันแบบนี้นะนะหรือที่หลวงพ่อมีมักพูดนะว่าในทุกมีความไม่ทุกอืในความหลงมีความไม่หลง นนี้พูดคนก็คำนวณนะแบบอาจารย์ออสหรืออาจารย์เบตานพูดเรื่องเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะแต่บางทีหลวงพ่อก็จะพูดในทุกก็มีความมีทุกในหลงก็มีความไม่หลงในนั้นก็คืออะไรนะในอัตตาอะไรนะมันก็มีอนอัตตาอยู่ในนั้นอะที่จริงในความหลงนะความไม่หลงมันก็อยู่ด้วยกันถ้าจะตีพูดแบบนี้อาจจะงง แต่จะลองพูดให้แบบพอแยกให้เข้าใจเนาะคือในขณะที่เราหลงเช่ขนขณะที่เราหลงไปคิดใช่ไหมขณะที่เราหลงไปคิดหรือเราหลงไปอยู่ในอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ในขณะที่เราคิดเนี่ยเราก็ยังมีกายนะเห็นไหมขณะที่เราคิดเราก็ยังเคลื่อนไหวร่างกายขณะที่เราคิดเราก็ยังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่เรา ตอนที่เราไปอยู่กับความคิดเราก็หลงหรือเราก็ทุกข์เราก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนโหมดของใจเนาะมาอยู่กับร่างกายมาระลึกรู้กายแทนซึ่งกายก็มีอยู่แล้วนะจะเรียกว่าในขณะที่เราหลงอยู่นะความไม่หลงมันก็อยู่แค่ตรงนั้นนะั่นแหละก็กลับมาระลึกรู้กายที่เคลื่อนไวนะหวลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกตัวนะ เดินกลับมายึดยสึกตัวมาว่าอ๋อนี่นะในความหลงก็มีความไม่หลงในขณะที่ทุก่มันก็มีความไม่ทุกอยู่ด้วยกันนั่นแหละความไม่ทุกที่ชัดเจนคือขณะที่ร่างกายเราทําอะไรเนาะใจเราก็รับรู้นหรือจริงขณะที่เราเห็นเห็นใจที่มันหลงไปนั่นแหละนะ ความไม่หลมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะมันอยู่ด้วยกันนะดูดีๆนะในความง่วงนะก็มีความไม่ง่วงเห็นปะ <c oughs> ในความง่วงมีความไม่ง่วงอยู่ตรงไหนนะขยับคือที่นะขยับ<อ>มันก็ไล่ความง่วงออกไปโยมเราขยับตัวนะนะความง่วงก็เกาะไม่ได้คล้ายๆเหมือนกับยุงเลยนะยุงมาเกาะตัวเรานะ เราปัดนิดนึงเราเปล่านิดนึงเราขยับนิดนึงอยู่มันเกาะกาะไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นเป้านิ่งนั่งนิ่งนะิ่งนะยุงมากัดยุงมาเกาะมันก็กัดเวลาเราง่วงก็เหมือนกันโยมเวลานั่งนิ่งนิ่งนะความง่วงก็มาเกาะไม่ใช่เกาะ อ, อย่างเดียวนะซึมเข้าไปจนหลับอันนั้นเวลาง่วงอย่านั่งนิ่งนิ่งนะขยับนะขยับตัว ขยับตาขยับปากนะให้มันเกิดการตื่นตัวขึ้นมาในความง่วงมันมีความไม่ง่วงก็คือเราสร้างสการตื้นไหวก็ปลุกความง่วงนะอันนี้คือเราสามารถทําได้นะพยายามทํำเลยนะมันจะเห็นว่าที่จริงในทุกก็มีความไม่ทุกนะในความหลงก็มีความไม่หลงนะสติจะช่วยเราตรง น, นี้แหละนะนะให้เราพยายาม มันทำกันเนาะมันทํากันให้เต็มที่นะทําเต็มที่แต่มันจะเกิดผลอย่างไรก็อย่าไปคาดหวังมันบางทีเราปฏิบัตินะบางทีเราก็ปฏิบัติเหมือนเราอยากจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปฏิบัติเ้าอะไรหรือครูบาอาจารย์ มันบอกให้เราเอาอะไรหรือเปล่าน้อนะบางทีแต่ก่อนเราก็เคยหลงเหมือนกันนะก็ได้ยินของพ่อเตือนเตือนนะเวลาเทศปฏิบัติอย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาอะไรมันฟังเข้าใจนะจําได้แต่พอปฏิบัติจริงๆอนะ่ะบางทีเก็บอารมณ์เนาะโอ้หอมมันขึ้นแสดงหองขึ้น ปฏิบัติหลา ย, ลายวันแล้วมันต้องต้องได้ต้องเข้าใจเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่มาเล่าประโ ม, ม้ตัวเองฟังอีกอย่างหนึ่งตอนจำภาษาแรกนะที่ครตูตงกับอาจารย์เทศสาระภาษาแรกปีสี่สี่นก็ตั้งใจเก็บอารมณ์อยาติเก็บอารมณ์ตอนนั้นน่าจะปักหนึ่งสิบสี่วันสิบห้าวันนะ ที่เรามารปฏิทินไว้แล้วนะมารไว้ไงคือช่วงที่เก็บอารมณนะ์น่ะคือเป็นช่วงที่เพื่อนๆในมหาลาัยเขารับปริญญาช่วงประมาณนั้นนะ่ะมันนี้เพลงหนึ่งที่มันดังๆนะ่ะเพลงปริญญาใจนะเคยได้ยินไหมปริญญาใจเนะี่ยแต่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องความรักเนาะเขาส่งบวังเรื่องความรักปริญญาใจไอ้เราก็เคยฟังเพลงมาแล้วก็ เราตีความแบบหนึ่งนะเพื่อนจะรับปริญญาบัตรนะเราก็จะรับปริญญาใจปริญญาใจของเราคืออะไรเราต้องได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเอาอย่างน้อยเป็นโสดาบันหรือทัดดีเลยนะเป็นฝ้าละหันเลยนะคือตั้งใจปฏิบัติเจะกะว่านในช่วง15วันที่เก็บอารมณ์เนี่ยนะถ้าได้ตรงวันที่เพื่อนรับปริญญาเนี่ยิ่งดีมากเลย เอาให้ได้นะปฏิบัติแบบเอาให้ได้ที่หลวงพ่อเคยสอนเรื่องปฏิบัติแบบไม่ให้เอาอะไรนะโอแต่มันเริ่มตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงจนจนรู้สึกมันไม่ไหวตึงจนรู้สึกมันไม่ไหวว่าจนเราเอกเอใจว่าเราปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรเนาะแต่ที่จริงมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้หยุดทีเพราะว่า มันอยากนะมันอยากมากนะความอยากมันมันร้นออกมาแต่พอมันเลยวันที่เขารับตัวยาไปแล้วนะมันไม่ได้นะก็เสียใจนะเสียดายพอเสียพอเสียใจเสียดายคราวนี้มันก็เหมือนเราตั้งเป้าแล้วมันไม่ได้เนาะมันก็เลยลดค่อยๆลดเป้าลดเป้าแล้วก็อืมมันก็ความเครียดความทุกข์นะมันก็เลยลดลงนะ แต่จริงมันก็เริ่มเอะแล้วว่าที่จริงมันทุกข์เพราะเราอยากที่จริงปฏิบัติเฉยมันไม่ทุกข์นะแต่มันทุกข์เพราะว่าเราอยากอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะเอามันก็เลยมันก็เลยทุกข์มันก็มันรู้สึกว่าเหมือนเดินไปชนกําแพงนะมันก็เห็นหน้ากําแพงอย่างนะแต่ยังอยากจะเดินชนนะอยากจะทะลุมันมันรู้สึกแบบนั้น แต่พอตอนดงเราก็ค่อยๆเข็ดนะก็ถอยมาอถอยมาอยู่กับปัจจุบันไม่ไม่อยากหวังที่จะเป็นอะไรนะแล้วพอยิ่งอย่างอาจารย์กำพลท่านเสียนะก่อนนี้ทาจะเสียท่านฝากคำสุดท้ายไว้มาว่า ม, มันมันดีมากๆนะ่นบอกบรรลุธรรมนะเป็นเพียงแค่ํำพูดนะความไม่ทุกข์เป็นของจริง มันมันเตือนใจนักปฏิบัติธรรมไม่ว่าพระหรือไม่ชีหรือโยมได้ดีนะคือบางทีบางคนปฏิบัติธรรมแล้วคือเราอยากจะบรรลุธรรมคาว่าอยากจะบรรลุธรรมคือเราอยากจะเป็นเป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่นะแต่จริงมันอาจจะเป็นเพียงแค่คําพูดนะแต่จริงความไม่ทุกข์เนี่ยคือของจริงมาก็ว่าอืมเพราะว่าอยู่กับหลวงพ่อคาเขียนนะ ถ้าจะไม่ค่อยพูดว่ า, าท่านเป็นท่านเป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่หรือว่าคนนั้นคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่เนะท่านจะพูดแต่เรื่องความรู้สึกตัวเรื่องความทุกข์ความไม่ทุกขนะ์ซึ่งมันคือของจริงนะน่าก็ฝากพวกเราไวนะ้นักปฏิบัติธรรมนะอย่าไปเอาอะไรนะนะอย่าไปเป็นอะไรนะนะ ปฏิบัติแบบไม่เป็นอะไรแบบหลวงพ่อนะดีที่ฝึกนะแต่จริงหลวงพ่อท่านพูดอีกอย่างนะในงานเจวันนาที่ส่วนโมกตั้งหลวงพ่อไม่เป็นอะไรกับอะไรนะแต่บางทีงหลวงพ่อจะพูดประโยคต้นนิดนึงซึ่งมายว่าสําคัญซึ่งบางทีอาจจะไม่ค่อยได้พูดกันคือหลวงพ่อจะบอกว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรคือหลาป็หลายครั้งมากหลวงพ่อจะพูด ไม่มีก่อนพอมันไม่มีมันมันก็เพิ่มความชัดว่าการที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเ่เพราะว่ามันไม่มีมาก่อนไม่มีอะไรไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราของเขาะพอมันไม่มีตัวตนไม่มีอัตตานะมันก็เลยไม่เป็นอัตตานั้นไม่เปลี่ยนเป็นเป็นนั่นเป็นนี่นะมันไม่มีมันก็เลยไม่เป็น มันไม่เป็นอะไรอะไรมาถูกกับความไม่มีไม่เป็นนะมันก็เลยไม่มีอะไรเลยนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ามาว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนั้นปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อรักตัวตนที่จริงคําว่าอัตาตาคำวินาตาที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าเรารักอัตตานะแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าอัตตาไม่ใช่ของจริง ือความจริงแล้วมันไม่มีอัตตาภาวะอนัตตาคือตรงนี้นะือความจริงแล้วมันไม่มีอัตตาจริงๆไม่มีเราจริงๆไม่มีของของเราจริงๆนั้นเมื่อเราเห็นแล้วนะมันไม่ใช่ติดการละนะแต่มันเป็นการรื้อรื้อความเห็นที่มันผิดนะให้กลายไปเห็นเห็นถูกว่ามันไม่มีตัวเราจริงๆไม่เป็นของเราจริงๆนะมันก็เลยไม่มีผู้สุขไม่มีผูดคุก แต่มันยังมีอาการสุขอาการทุกข์เนาะของลูกของนามตามสภาวะนั่นแหละนื่แหละคือธรรมะที่ที่อยากจะฝากไปเนานะตามสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะให้ได้ผ่านพ้นคืนนี้นะอย่างมีสตินะสาธุ